ข้อที่หกไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกพระพุทธศาสนาเช่นเช่นยังไงดีเช่นยอมบริวัรแอบไปดูดวงอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยสมมติสมมติเนี่ยนะเอเนี้ยอันนี้สมมติ <c oughs> แต่ไม่ใช่วพายอมบรวิวา์ไม่ทำ อันนั้นไปนเขตบุญภายนอกไปแล้วเดี๋ยวไปพูดอีกคาเดี๋ยวหาว่ากระทบโย ม, มก็เลยไม่กล้าพูดอีกคํานึงเดี๋ยวมการทําสักการะก่อนในเขตบุญในศาสนานี่ให้ความสํำคัญในการในพระพุทธศาสนาก่อนนะภิกษุเนี่ยนะถ้าพิจารณาพระพุทธเจ้าบอกว่านี่ไงภิกษุทั้งหลายทำเจ็ดประการ น, นี้แหละเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อม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 ทีนี้ในชั้นคําสอนตอนนี้พูดถึงในเรื่องของกามเมสุมิฉาจาร์ข้ อ, อนี้แหละกามเมสุมิฉาจาร์การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมเนี่ยนะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์มีชัยพูดโทษจะพูดเกี่ยวในกรอบของของกามเมสุมิฉาจาร์อันนี้วิเคราะห์นิดนึงกามเมสุมิฉาจาร์เนี่ยความประพฤติผิดในการมเนี่ยเป็นภาษามาจากคาว่ากามเมสุเมถุ น, นสมาจารนะเนี่ย ก็คือมิจฉาจรรโรในการกระทําที่ลามก ท, ที่ท่านตำหนิไว้โดยส่วนเดียวแต่โดยลักษณะเจตนาที่คิดจะล่วงละเมิดนะอคํิมยานิยฐานะก็คือฐานะที่มีความล่วงละเมิดอันเป็นไปแล้วทางกายทวารด้วยความประสงค์จะเสพอสสัตว์รรมเป็นต้นเหล่านี้ก็เรียกการเมสุมิจฉาจาร์อาท่านอาจารย์มีชายก็ขยาย ในเรื่องการมีุมิชาจารยมื่ก้วิเคราะห์สับนิดหนึ่งก็เยสับอยู่ในเร่มนี้ชื่พอนยมก็เวลาเหลือน้อยนะโยมเนาะเพิ่งได้มาไม่กี่ข้อ2ข้อนั่นเองข้อที่3าก็คือการมีสมิชาจารย์นะโยมนะมีองค์4ประการคือข้อที่1นะอคมนียวัตถุวัตถุที่ไม่ควรถึงนะก็คือวัตถุที่ ควรงดเว้นนั่นเองนะก็หมานะข้อที่2ตัดสมิงเสวนาจิตตังนะจิตที่คิดจะเสพในวัตถุที่ไม่ควรถึงนั้นนะนะสเซวนัปประโยชนนะนะความพยายามที่จะเสพประโยชน์ค้าก็แปลว่าวายามะหรือว่าเป็นแปลว่าความพยายามอันเดียวกันนะโยมนะอุ ป, ปะกรรมกับครับประโยคะานี่เป็นศัพท์เดียวกันนะ เพราะแรกๆข้อที่1ข้อที่2เป็นอุปกคโมเนาะนะนะต่อมาข้อที่4มัรคเคนะมัรคคับปฏิปฏิอธิวาสนังนะคือทำการเสพนะทำการเสพนั่นเองก็การมีสุมิชาจารย์ก็มีองค์4ธรรมชาติของอคุศสกรรมบทก็ทวนนิดนึงว่าธรรมชาติของเขาเขาจะให้ผลใน2อทางคือปฏิสนธิการกับประวัติการปฏิสนธิการเราก็เคยได้ยินชื่อ ชื่อว่าบุคคลผู้ผิดกาเมก็ไปนรกสิมเพียนะก็พวกตระกูลนรกไม้งิ้วก็ว่ากาเมสุมิชาจานเนี่ยเป็นการประพฤติผิดในในในโพธิภะลมนะโพธิภารลมนะเนาะก็คือเน้นที่ตัวสัมผัสนะจริงจริงแล้วก็คือรวมการมาทําทั้ง5นั่นเองนั้นจริงก็การมาทำทั้งหแต่ตัวประธานของเขาคือโพธิภาลมนะเพราะว่าจริงๆคนจะขโมยกาเมขโมยกาเมกันได้ก็ต้องเริ่มจากตาหินสีก่อนนั่นเองนะ บางทีก็อาจจะเริ่มที่หูได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งซึ่งตัวการเมนเนี่ยกรรมเวลาให้ผลอย่างแรงที่สุดนะก็ไปอบายใช่ไหมในปฏิสนธิการก็เราก็เคยได้ยินแล้วว่ามีนรกที่เขาเรียกขุมรองรับคนผิดผิดข้อ น, นี้ก็คือสิมพีนะนรกไม้งิ้วนั่นเองเนาะอันนี้เราก็เคยได้ยินตั้งแต่เด็ยกยันโตกันเนาะนะทุกคนก็เคยได้ยินเพราะว่า เราในสังคมชาวพุทธก็จะพูดได้ยินคุยเรื่องว่าถ้าใครผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะก็จะต้องตกนรกคํานี้เป็นคําที่เราฟังกันเป็นประจำส่วนถ้ากรรมนี้ให้บ่นในประวัติการก็จะทําให้เกิดเป็นหญิงทําให้เกิดเป็นหญิงเนาะซึ่งตรงนี้เราเคยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าความเป็นชายเป็นหญิงในศาสนาพุทธของเราไม่ได้ไม่ได้กําหนดลงไปว่าเธอเป็นหญิงดีกว่าชายเธอเป็นชายดีกว่าหญิงอะไรนักหนาแต่ชี้ชี้ถึงความต่อเนื่องของขันธ์สดานของพวกของ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 สิทธิเสรีภาพอะไรอย่างนี้กันไปอะนะนะก็ก็ผลของการเมศุมิชาจารในประวัติการก็ถ้ามาให้ผลนะเช่นว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่การเมศุมิชาจารมาให้ผลก็อาจจะทําให้เกิดเป็นผู้หญิงนะทำให้ถูกตอนเหมือนกับถ้าทานมานึกถึงถูกตอนก็นึกถึงพระอ น, นุลชาติที่ชาติที่ไปเกิดเป็นลิงอะนะเกิดเป็นลิงด้วยผิดการเมนะผิดกรรมเมก็ไปเสร็จก็กรรมนี้ก็ให้ผลไปตกอบายใช่ไหมโยมเนาะ ก็ไปธรรมชาติของผิดกรรมบวเนี่ยมันไม่ใช่สมมุติว่ากรรมโดยแรงสุดอาจจะพาไปลงนรกลงเสร็จเขาไม่อยู่แค่นั้นเขาก็จะวนไปที่อบายอื่นด้วยก็คือความเป็นสัตว์เดรัจฉานพานนก็ไปเกิดเป็นลิงก็จริงๆก็เรียกเสพอยู่เนาะเศษเนาะนะก็นนะะะะตัวตัวเนี้ยพอไปเกิดเป็นเป็นลิงใช่ไหมเป็นลิงลิงน้อยนะเฉ้าพ่อลิงก็คือลิงจา่าฝูง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 อ่ะยังมีอีกอันนึงก็คือไปที่ไหนคนก็จะลังเกียดนะคนจะลังเกียดได้ง่ายยังไม่พอนะยังมีผลทั้งจิตใจของตนเองด้วยในขันธ์สันที่เป็นนา ม, มาทําด้วยเช่นถจะทาให้มีจิตใจหวุ่นไหวโลเลอย่างนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการเมซูมิชาจารย์อีกเหมือนกันนะอันนี้เป็นต้นก็จะไม่ขยายยาวมากโยมเพราะว่าเวลาเรามีน้อยเดี๋ยวให้อาจารย์สมทบพูดต่อดีกว่านะโยมนะอ่านิมนต์อาจารย์ครับ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 ขัดใจกับใครไปตัวเถียงทาให้มองหน้ากันไม่ได้แล้วก็ในส่วนจริงก็เป็นที่เกลียดชังแล้วก็มีผู้คิดปองร้า ย, ยก็หมายความวัฒกรรมตัวนี้ให้ผลมาก็จะเป็นคนที่ถูกปองร้าย ถ, ถูกเกลียดชังไม่พอก็ถูกปองร้ายเด่ไม่มีไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลยเนี่ยอยู่ที่ก็ถูกเกลียดชังถูกปองร้ายอย่างนี้นอันนี้ก็เป็นโทษนะนะก็ทำบาปกี่ยวกับมีสิมิชฌาจารไว้มัน อย่างนี้ก็คือว่าบาดเจ็บถ้าถามบอกว่าไปเชื่อมโยงกับปนานติบาได้ไหมก็เชื่อมโยงด้วยเนี่ยไปเชื่อมโยงด้วยเกี่ยวข้องกันขาดสนซั์เห็นไหมนะ่ะเกี่ยวข้องกันกันกบทินนาทานด้วยเกี่ยวข้องกับการให้ทานที่ผิดพลาดด้วยไม่ว่าจะทําอะไรก็มีแต่ความฝืดเคืองประเภทที่ชักหน้าไปถึงหลังก็คือว่ากรณีอย่างนี้ก็คือไปสร้างความเพราะอดีตได้สร้างความไม่รู้จักพอไว้ก็เลยทําให้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 เพราะความพิการเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผิดแปกแตกต่างไปจากคนอื่นมีความผิดอยากอวัยวะบางส่วนคือส่วนที่เล็กเกินไปโตเกินไปอะไรเยอะแยะเบียดเสก็คือต้องอายเนี่ยมันไม่สมประกอบก็เพราะว่าทําให้ต้องได้รับความอับอายตามมาทั้งนี้เพราะอดีตเนี่ยเคยไปล่วงเกินร่างกายของบุคคลอื่นไปเกี่ยวข้องของรักของหัวของบุคคลอื่น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 ทำอะไรก็ทำไม่ค่อยวิตกกังวลอยู่นี่ยนะพัดพลากจากของที่ตนรัก น, นี้ชัดเลยเนี่ยคนที่อกหักคนที่ผิดหวังอะไรต่างๆนี่ทั้งหลายเลยเนี่ยนี่แหะเกี่ยวกันในเรื่องของกาเมสุมิฉาจา น, นี่พอสรุปประเด็นอย่างนี้นะเร็วๆอย่างนี้ดีไหมเนี่ยอันนี้มองประเด็นอ้าวต่อไปทานายา์ขึ้นมูสาวาตปีสุณาวาจาพุทสวาจาวา่าไปทา ก็เมื่อกี้โยมก็จบกายกายทุจริตนะัก็คือปณาตาิบาตินนาทาและก็การเมสูมิฉาจารเป็นกลุ่มกายทุจริตต่อมาต่อมาจะเป็นกลุ่มของวจีทุจริตนัก็มีเริ่มจากมุสาวาทนะนะแล้วก็ปิสุณวาจานะเป็นข้อที่สองต่อมาก็สาเป็นพรุสวาจาแล้วก็สัมภปล า, าปะ น, ะนั่นเองนะก็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 ต่อมาข้อ3เป็นตัดโชวายามมความพยายามด้วยความคิดนั้นนะข้อที่4ี่คือปรัสสะตัฏทะวิชานังนะคนอื่นรู้ความนั้นนั่นเองในมุสาวาทมีองค์4ประการนะมีองค์4ประการก็ตัวตัวนี้ก็ครบถ้าครบองค์สี่ก็เป็นว่าครบกรรมอบทนั่นเองเองนาะครบกรรมอมบท ตัวผลผลของผลของการกล่าวเท็จน่ะ น, นะโดยก็โดยโดยตรงในปฏิสนธิการก็ปกเหมือนเดิมนะโยมนะก็ให้ปฏิสนธิในในยาวายภูมิในใบภูมิทั้ง4แต่ส่วนของของในประวัติการก็เป็นคนที่ขาดความเชื่อถือนั่นเองนะ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 ลิ้นเขาเรียกอะไรดีลิ้นมีปัญหาแล้วกันเนาะใช้คำนี้ดีกว่าลิ้นมีปัญหาก็อาจจะทำให้พูดไม่ชัดพูดแล้วเสียงแหบเหมือนคนพูดอย่างนี้นะโยมนะพูดเสียงแหบอย่างถ้าถ้าในบางที่ก็บอกว่าพูดเสียงเหมือนกาอย่างนี้เป็นต้นนะนะเสียงไม่ไพเราะไม่สนอโสดนั่นเองเป็นผู้มีฟันไม่เรียบไม่เสมอกันนะนะ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 คือรู้ได้ง่ายอยู่แล้วเนาะก็ตรงนี้ก็ขยายเท่านี้ดีไหมนะโยมนะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่จบกลับมาบทสิบเวลาเหลือน้อยนะแิไม่จบไม่เวลาแล้วพรุ่งนี้ก็มาต่อะแล้วก็ต่ออีกหน่อยแล้วกันนะโยมนะก็ส่วนคนที่โกหกอย่างที่มิคี้บอกแล้วทาทากรรมชนิดนี้นะผล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 พอรูปธรรมอะเนาะว่ามีรูปธรรมที่ไม่งามหรือไม่ดีฟันไม่สวยฟันไม่สะอาดฟันห่างเกินไปเสียงไม่เพาะนะนี่เป็นฝ่ายกุศลนะเนาะซึ่งฝ่ายกุศลก็จะกลับการมีฟันเรียบเสมอกันถ้าสูงสุดก็มีฟันครบสี่สิบซี่อย่างที่มหาบุรีสัลขณะของพุทธเจ้านั่นเองนะเป็นต้นแล้วก็อันนั้นเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมก็ยังส่งผลให้เป็นคนฟุ้งซ่านใช่ไหม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 หดวลล ย, ย, ลลยอะ ด, ด, ดูลักษณะของพระมาหาบุรุษที่เกี่ยวกับการละจากมุสาวาตนะในข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนละการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงคำศัตว์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อถือไม่พูดลวงโลก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 เศรษฐีเป็นราชกุมารเห็นไหมการไม่พูดเท็จเนี่ยผลตรงกันข้ามอย่างที่ทนยายมีชัยพูดมาเลยใช่ไหมตรงกันข้ามถ้าไปพูดเท็จขึ้นมาเนี่ยครบเก่าองหรือไม่ครบองค์ส่งผลได้นะโดยเฉพาะไม่ครบองค์ส่งผลในปวิบัติการได้ครบองค์ส่งผลในปฏิสนธิการลากยาวมาในปฏิบัติการอีกเจ็บปวดในสังสารวัตรีกแต่ถ้าหากว่าละได้เบ็ดเสร็จเนี่ยตกแต่งสรีระด้วย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 ไม่มีพระโรมาเกิดเป็นสองเส้นมีพระสรีละสะพรั่งด้วยพระโรมาเดียวพวกผู้รู้พระลักษณะฉลาดในลางและนิมิตเป็นจํานวนมากประชุมกันแล้วก็พยากรณ์ว่าผู้มีอุณาโลมตั้งอยู่ดีด้วยนิมิตและบอกว่าชนเป็นนั้นมากย่อมปฏิบัติตามซึ่งก็เป็นไปอย่างนั้นใช่ไหมแม้เป็นขันหะ ม, มหาชนก็ปฏิบัติตามเพราะการรมที่ธงทําไว้มากในชาติก่อน ตรงนี้ทำให้เห็นเลยบอกว่าอดีตเนี่ยนะการประพฤติตามอัธยาสัยการกล่าวคำจริงตลอดกาลในชื่อว่ากรรมลักษณะก็มีอุลามุกผ้าโรมาขุมละเส้นลเส้นเสมอกันแล้วขึ้นมาเนะี่ยขนก็เสมอกัรลองดูเส้นขนเราดูทีเสมอกันไหมนะลองดูตรงนั้นนะนะลักษณะก็คือมีพราโรมาขุมละเส้น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 ผลที่ได้รับก็คือกลิ่นปากก็ตามมาไอตัวก็ร้อนจัดมีกลิ่นตัวแรงด้วยเอาเกี่ยวกับอะไรตรงนี้ตอบได้ไหมฟังมาขนาดนี้แล้วทำไมคนกล่าวมู่สาววาททาไมมีกลิ่นตัวแรงอถ้าเราเดินไปไ ป, ไ, ปได้ไปได้กลิ่นคนกลิ่นตัวแรงแลรวรีไปทักเขาเลยไหม <c oughs> แม้กรรมกรรมมู่สาววาดของคนนี่ส่งผลแรงจังนะ <c oughs> ได้ไม <c oughs> ได้ไม่ยอมเลียง ไม่ได้ไเ อ, อเนี่ยมูสาวาทของคนนี่แรงนะเนี่ยส่งผลถึงประวัติการเลยเนี่ยช่วยดับกลิ่นหน่อยมันได้ไหมได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้ไหมยอมอะไรไม่ได้เลยเนะจากนั้นเวลาใดที่กลิ่นตัวออกแรงๆก็ให้นึกถึงกรรมข้อนี้นี่แหละนะโทษของมูสาวาสแน่ดีด ต, ตอนนี้ที่มาโชยกลิ่นออกมาเนี่ยถ้าโชยกลิ่นสีนออกมาก็น่าชื่นใจใช่ไหม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 ดูที่ขนาดเป็นผ้ออาหยาเดินชฉยกลิ่นแล้วพวกเรานี่เแหละยอะไรเนี่ยโอ้โหราคาโทรศโมหามาหนะ้าทิ่ฐิเต็มไปหมดไม่ใช่เฉยกลิ่นแล้วลักษณะอย่างนี้ก็คือกลิ่นตัวก็แรงด้วยตาก็ไม่อยู่ในระดับปกติเอาทำไมปากพูดเท็จส่งผลที่ตาหน้าแปลกไหมฮะ ในขณะที่พูดเท็จเนี่ยสมมตินะจะไปนินทาไปว่าร้ายใครไปพูดผิดทั้งหลายเนี่ยตาก็ต้องคอยลอกแรกลอกแรกไหมท่านได้กล่าวฉะนั้นกรรมนั้นแหละเวลาให้ผลในขณนะทานั้นแหละพอมาให้ผลก็เลยกลายเป็นตาไม่ค่อยสามัคคีกันอย่างนี้นะน่ากลัวจริงนะกรรมน่ากลัวไหนี่แหละโลกและพร้อมทั้งเทวโลกจะได้รู้ว่าคนนี้ทากรรมอะไรมา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 ให้ผลในวาริการเนี่ยนะนี่นี่ น, น, นีลักษณะอย่างนี้เวลาใกล้หมดที่อยังยังเนาะอ้าวท่านอาจารย์มีชายข้อต่อไปปิสุนาวาจาปิสุนะข้อถัดไปนิยมนะในกลุ่มของวูจีทุจริตก็คือปิสุนาวาจาใะปิสุนาวาจาคือการกล่าววาจาสอดเสียดนั่นเองนะสออเสียดพูดถึงองค์ก่อนละกันเนาะ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 มีคนสองคนคุยกันอยู่จะจะคุยถึงคนบุคคลที่สามนะคุยถึงบุคคลที่สามการส่อเสียอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราพูดถึงบุคคลที่สามซึ่งบางคนนะหรือพระเทละบางรูปก็จะเว้นเว้นจากการไม่พูดถึงคนที่สามเลยก็คือจะอยู่กับใครจะพูดจักคนนั้นไม่จะพูดเรื่องคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันระดับหนึ่งนะในการป้องกันการส่อเสียใช่หแต่ถามว่าในชีวิตจริงของคน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 ต้องการจะทำสังเกตอันแรกเนี่ยนะมีผู้อื่นที่ตัวเองต้องการทํเทาจะทำลายเขาอะนะนี่เป็นองค์ประกอบหลักเลยอะนะหลักก็คือจะชี้คือชี้ให้เห็นได้ว่ามันจะเข้าขายเข้าข่ายการเป็นปิสุนาวาจาได้ไหมเนี่ยนะก็คือเรื่องที่เรามาพูดนะนะเรื่องที่เรามาพูดก็จะเป็นสังเกตเรื่องกลุ่มของปิสุนาวาจาเนาะน ะ, นะก็จะคุยสมมติอาจะมาคุยกับโยมนะคุยกับโยมแล้วต้องการจะพูดปิสุณาวาจาคือ ทำให้โยมแตกแยกธรรมาจะยกเรื่องอะไรได้บ้างทําให้คนแตกแยกจะเรได้พูดจุดอ่อนของผู้อื่นได้ไหมเช่นนะในกคนนั้นนะนะสมมุติอรรมาเป็นพระพูดถึงพระด้วยกันดีกว่าพระกไก่นะนะไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นก็ด้วยตั้งใจจะทําให้เขาพินาฏอย่างนี้เป็นต้นคําพูดอย่างนี้ก็จะเป็นเป็นปีศาววาจาได้โดยการพูดถึงบุคคลที่ด้วยเรื่องที่ไม่ดีของเขาสังเกตตรงนี้นะ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 หรือจะชมใครก็ไม่ได้ต้องการจะทำลายเขานะแต่ที่แท้การพูดนั้นเบื้องหลังเป็นไปด้วยเมตตาคารุณาสังเกตตรงนี้นะการพูดที่จะไม่เป็นปิสุณาวาจานะต้องพูดด้วยปาถนาจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลประโยชน์เขาหรือปาถนาจะเอาให้เขาพ้นจากโทษทั้งหลายนะซึ่งในศาสนาศาสนาพุทธเราเนี่ยนะพระพิสุเนี่ยพระพิโตพระพิสุเองเนี่ยจาเป็นต้องพูดเรื่องพวกนี้ด้วยนะ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 สุภาพสติอะนะสุภาพสตรีคนที่เป็นสุภาพสตรีโอกาสที่จะพลาดเรื่องพวกนี้ง่ายหรือยากโยมง่ายนะนั้นเราต้องระวังว่าว่าไอ้คำที่เราพูดเนี่ยมันเป็นกรรมบทชไหมมันเป็นกรรมบวชไหมที่ตรวจสอบก็สังเกตสังเกตอย่างเป็นกลางอย่าเข้าข้างตัวเองมากนะักอย่าเอาคําบางคํามาอ้างแล้วก็เหมือนกับอะไรนะทําให้รู้สึกว่าเราไม่เ ร, ไมเราไม่น่าจะพูดผิด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 บุคคลที่ผลก็การทำมุสอปิสุนาวาจาเป็นคนที่ชอบตำหนิตีเตียนตัวเองก็เยอะเมื่อทำอะไรผิด ก, ก็จะอูทานตำหนิตัวเองอย่างแรงๆแต่ว่าตำหนิไปก็ไม่เคยแก้ไขน่ผลของมุสาวผลของปิสุนาวาจานะชอบตำหนิตัวเองเนี่ยะนะลักษณะอย่างนี้มันมาจากการที่บอกว่า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 ถ้าเราดูในชั้นคําสอนพระเจ้าละจากปิสุนาวาจาเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบก่อนในกําเนิดก่อนละคําส่อเสียเว้นขาดจากคาส่อเสียดฟังจากข้างโน้นแล้วไม่ไปบอกข้างโน้นคําว่าฟังจากข้างโน้นแล้วไม่จะฟังคนตําหนิทางโน้นแล้วจะไม่มาบอกอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นเหตุให้เขาเกิดบาดหมางกันบาดหมางกัน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 รู้จักเข็นใจกันนะรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวนะอะไรต่างๆนี่เป็นคนไทยเป็นแบบนี้นะตถาคตก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่านี้ถามว่าเพื่อทำกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพ่อปูนทำให้บริบูรณ์ต่างๆจุติจากนั้นมาแล้วมาได้ศาสานะคือได้อะไรมหาปุริสละขนาดสองประการใช่ไหมพระทนสี่สิบซี่แล้วก็มีพระทนที่ไม่ห่างฟันไม่ห่างว่างั้นจะ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 ถ้ามองอย่างนี้ก็คือส่งผลทางด้านฟันนี่ไหมฟันแล้วก็ส่งผลทางด้านบริษัทที่เห็นชัดบริษัทไม่แตกแยกแต่ถ้าไปทับเข้าไปแล้วจะแตกแยกจากบริษัทจากบริวารเยอะฉะนั้นมองในลักษณะกรรมในข้อนี้แล้วเนี่ ย, ย, ยก็ให้เราท่านทั้งหลายต้องระวังกันจริงจริงสรุปก็คือว่าทั้งพูดเทศสอเสียดคําหยาบและเพลย์เจอทั้งหลายเนี่ย เป็นกรรมที่ทําให้ตนเองนั้นได้รับความเจ็บปวดและความทรมานทั้งนั้นตรงนี้ก็คือว่าในครั้งนี้คือต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้ได้เข้าใจในคําสอนของพระเจ้าให้ชัดขึ้นให้ชัดขึ้นว่าเมื่อเราศึกษาคําสอนของพระเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือให้สังเกตตัวนี้ว่าเจตนาที่เป็นไปกับการฆ่าเจตนาที่เป็นไปกับการรัก เจตนาที่เป็นไปกับการประพฤติผิดในกรรมเจตนาที่เป็นไปกับการพูดเทศส่อเสียดคำหยาบและเพอเจอที่ยังไม่ได้กล่าวทั้งหลายเจตนาที่เป็นไปกับความโลภโกรธโดยเฉพาะเจตนาที่ทําให้ล่วงละเมิดอกุศลกรรมบทต่างๆเหล่านี้เจตนาเหล่านี้เขาเรียกวระเจตนาอากุศลเวระเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าที่เป็นเหตุแห่งการรักเป็นเวระเจตนาอากุศล ในนั้นมีโลภาโทมีโลพาทิฐิมานะมีโทสะอิสามัชริยะกุกุจจามีโมหะอิริกตาโนตปาและอุทธจารไม่มีกลุ่มพวกผัสสะเจตนาสัญญาเนี่ยอีกเยอะวิโตวิจาร์เป็นต้นที่มารวมกลุ่มกันผักดันทำให้ตนเองนั้นต้องกล้าในการที่จะกล่าทีนี้ก็วัดกันแล้วมีโทษมากโทษน้อยก็ไปคร่ครวญสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรียนมาศึกษามาและฟังมาทั้งหมดเนี่ย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 งดเว้นได้ยังไม่พอต้องสมาทานตั้งมั่นบอกต่อไปถ้ามันจะเกิดอีกเราจะละให้เร็วกว่านี้ไม่ใช่ให้เกิดความคิดตั้งนานต้องมีการยื้อกันอยู่ตั้งนานแต่แต่นี้ป้องกันไว้ก่อนวิจัยไว้ก่อนเลยจกไม่กล่าวเท็จจกไม่กล่าวเท็จหรือจะพูดสอสจะใช้คําพูดแต่ละครั้งเนี่ยว่าเอ๊ะจะเป็นการส่อเสียดหรือไม่สติสัมปชัญญะต้องเริ่มทํางานแล้วเวลาเจตนาอากุศลจะเกิดขึ้นมาเบ็เสร็จเนี่ยวิรติก็จะต้อง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 เป็นต้นตรงนี้ก็ฝากไว้นะอันในวันนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็มาต่อกันอี ก, กวันหนึ่งเนอะเพราะโยมโยมสุวรรณนิมนต์บอกว่าโอกาสในการที่จะเจริญกุศลนะก็หาได้ยากอัจยบอ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 คุณยิงการอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเป็นอันว่าได้ไปเกื้อกูลที่องค์การพุทธโลกนะคะหนึ่งบาทให้ช่วยกันอโมธนาค่ะค่ะอะ่องค์การพุทธศาสตร์สีคำพันธ์แห่งโลกอยู่ตรง Imperial นะคะสุขุมมิทซอยอิมพอร์ตเรียมอิมอิมพีเรียลอิมพอร์ตค่ะค่ะสุขุมมิทรยิบสีเด er ี er ๋ยวเดี๋ยวพวกนี้บอกให้นะคะนะค ะ, นะคะก็จะเริ่มวันเสาร์ที่7นะคะ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 ตั้งแต่9ก้าโมงช้าถึง5โมงเย็นมีอมาหารกลางวันและอาหารว่างเรียบร้อยนะคะห้องประชุมที่นั่นนะคะค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะช้านะคะขออภัยเจ้าคะ่ะเดี๋ยวต่อไปอุทิศกุศลกันหน่อยนเองก็ขอมวดนาโนะยมสุวรรณแล้วก็พร้อมทั้งพวกเราทั้งหลายที่มาทำเจตานาให้กับโยมสุวรรณได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจอยากจะจเจริญกุศล ก็และอย่างหนึ่งก็คือว่าอยอมสวรรค์ก็ขอให้มีการบรรยายอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ก็คงมาเมารับพระทหารด้วยมาบินตาบาทที่นี่ด้วยตอนเช้าน <ç uk> ะ <Boost> มา <ç uk> บินที่นี่มาบินณาบาทที่นี่เชา้านั้นตะ <c uk> ตรงนั้นก็ก็พระก็พระแล้วก็มีเนรนะ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 สว า, ากาโตภะคะวะโตทัมโมทัมมงนะมะสิสุปาทิปันโตภะคะวะโตสาวะคสังโกสังขั น, นาติกราบพระรัตนตรายแล้วกราบพระสงฆ์กันหน่อยอ้าทางลงกลา่าวกราบกลาตั้งใจ